พให้พระใหม่ฟังคนใหม่ๆฟังคนเก่าๆฟังเบื่อละรู้สึกตัวไป <c oughs> มีผ้าใหม่เครื่องหนึ่งเก่าๆก็อิสระภาาตอนนวากาก็าฝึกกันพอสมควร ตอนมัจจิ ม, มาช่วงกลางๆ ก, ก็พอน ล, ลงไปงานเผยแผ่ก็มีมากขึ้นเพราะว่าคนปฏิบัติส่วนใหญ่ถ้าเลยสามปีถ้าปฏิบัติจริงๆจงังยิ่งสี่ห้าปีหปีเนี่ยมันมีอะไรมากมายเหลือเกินที่พร้อมจะแสดงออกเป็นประโยชน์ เป็นการเผยแพ่ก็ว่าได้นะมีผลผู้เจ้าคุณหาหกปีแต่ว่าคนที่ไปาตามนะก็ควรจะก็สี่ห้าปีไม่น่าเกินสามปีก็จะไปตรงกับที่หลวงปู่เทียนพูดเอาไวนะ้สร้างความสึกตัวสามปีต้องเกิดอะไรขึ้นมันมต้องเห็นอะไรมากมายแล้วเกินมันคงจะไม่ตันหรอกถ้าทำถูกนะ พอเข้าเทล้เป็นลักษณะของ10บปัญาหาขึ้นกา น, นียอยู่ตัวแต่ก็ประมาทไม่ได้ถึงจะอยู่ตัวก็ประมาทไม่ได้บางคนก็มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโชคโชนแต่บางคนบางท่านก็ยังสงสัยคาใจในหลายเรื่องอยู่ ประบาดไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะเหมือนยาคาจับไม่เด้มก็บาดก็จะมีอาการออกอาการร้อนผ้าเหลืองหล่ะค่ะเนี่ยผ้าเหลืองร้อนน่นแหะมันจับยาคาแล้วก็บาดมือเอาแสบปวด <c oughs> เผ็ดร้อนดีเดียวขวามสึกตัวมันช่วยให้สงบเย็นจิต ใ, ใจสงบหมดพยศแล้วก็เย็น <c oughs> ปกติถ้าทําเป็น มันทันทีทันใดแหละเรถ้าไปอยู่กับความคิดมันร้อนไอ้เย็นก็ร้อนเหมือนกันมีปิติมีความสุขเกิดจากความคิดการปรงุงอันนี้ก็ร้อนน้ำแข็งเย็นเย็นติดลบหลายๆองศาเนี่ยเอามือไปจับเนี่ยมันลอกเลยนะกัดความร้อนเนี่ยมันก็ลวกความเย็นมันก็ลวก เย็ยนมากๆในลวกใบไม้เหี่ยวหมดเช้ามันไม่จะเย็ยนแบบนั้นมันจะมีความสุขแบบนั้นการปฏิบัติธรรมมันเป็นการผ่านแพงทะลุมันไม่มีลักษณะของอาการที่จะไปรับอารมณ์ต่างๆไม่มีหรอกถึงมีมันก็พอรู้มันก็ไม่เอามันทุกข์ มันเป็นปัญหามันไม่ใช่ลักษณะของปัญญายานนะที่ขนส่งยานปัญญายานี่ขนส่งมันลดลดกระบะบรรทุกขนส่งลดเกง่งลดส่วนบุคคลกขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งวัตถุรูปธรรมขนไม้ขนดินขนหินขนอิฐขนปูนหนักขนาดไหนก็ได้คือนอยู่ที่แนบ แอบอ่อนโยนมากเท่าไหร่แข็งแรงมากเท่าไหร่ก็แบกน้ําหนักได้มากแต่นั้นขนส่งความโลภความกดความรักความชังสารพัดความสุขความทุกข์มันก็ขนส่งเหมือนกันเอาจิตเอาใจกลับคืนสู่สภาวะปกติของจิตอันนี้เรียกว่ายานขนส่งนามธรรมอีกการหนึงคือยานยนต์ขนส่ ง, สงรูปธรรม ยานยานใหญ่มันมีอยู่ใหม่ๆก็ยานเล็กๆน้อยๆไปก่อนยานเล็กยานน้อยขนส่งเล็กๆน้อยไปก่อนความทุกข์หยาบๆความคิดหยาบๆเกินสูตรสภาวะปกติความเจ็บความปวดความเมื่อยอย น, นี้นะเบื่องต้นมันก็ต้องเจอทุกคนนนานๆเข้ามันจะมีอะไรมากมายหลอกไปทางตาทางหูจมูกลิ้น อั น, นก็ต้องว่องไวขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นรวดเร็วใหม่ๆมันเหมือนกับรถที่ใช้สะดวกชีวิตติดสุขมันรถเก่งชีวิตติดสุขสบายสะดวกชีวิตลูกคุณหนูบางคนก็ชีวิตลําบากกระเซิงกระเซิงทนทุกขยากลําบาก คนมีความสุขบางคนมีปัญญาไปไหนพบปะกาด้ามเดียวเซ็นชื่อได้เงินเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านแก้ลเซ็นตัวเดียวมีความสุขแบบนั้นบางคนก็รถกระบะขนก็ไปทุกมันทุกอ้อยฤดูการนี้ก็เผาอ้อยตัดอ้อยไปขายบางทีเพอเพอขาดทุนเห น, นื่อยทุกยากลําบาก กดมือกินเมือการเจริญสติฝึกสติเป็นยานถ้าเปรียบเที่ยวเป็นโฟโลอยู่ใดสะเทินทั้งสุขทั้งทุกข์งดงามมาบินอยู่บนเมืองในเมืองเวลาลุยก็ลุยช่วยตัเองได้เวลาติดลมตกลมก็สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ความรู้สึกตัวเป็นอย่างนั้นแหละมันสะเทิน เพ่งมันก็มาเป็นปกติเปล่ามันก็กลับมาเป็นปกติมันจะเทินมันเลยผ่านตลอดทุกอารมณ์นั่นแหละขนส่งยานชั้นเยี่ยมความรู้สึกตัวมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ทุกคนถ้าทำถูกมันไปเกินหรอกสามปีมันก็รู้อะไรมากมายหลวงพ่อมเขียนท่านเทศไว้ครั้งสุดท้ายตลอดจำกันได้นะ ถ้ดีนได้ฟังแค่วันเดียวก็รู้แล้ว mm hmm. ความรู้สึกตัวที่มันจับสภาวะเป็นกลางได้สังเกตดีๆแต่ทําไมสังเกตเนะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เหมือนเดิม mm hmm. ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมนั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าบางทีมันก็มีเครื่องอยู่แล้วแหลนะจิตเป็นสมถะ mm hmm. แต่วิญญาณไม่ ง, งอกต้องถอยเข้าถอยออกให้ดีครูบา mm hmm. อาจารย์ท่านก็จะมีลูกเล่นแหละ เคยสังเกตบางทีเพ่งมากๆติดอารมณ์มากๆหลพ่ออมเขียนชวนออกไปข้างนอกเลยชวนไปนั่งรถเที่ยวเล่นไม่ได้บอกให้ปฏิบัตินะโน้นไปปูหลงโน้นไปกราบจำปิศาโนนะไปเที่ยวนะหน้าผานั่นบางทีก็ชวนเดินชมนกชวนไม้เก็บมาไฟกินเก็บผลไม้กินนะชวนออกมาก่อนบางที ท่องเที่ยวมากๆวัดนั้นวัดนี้วัดนน้นไปนั่นไป น, ไปนี่ไปนนท์ท่นก็ออมีโอกาสท่านก็กระตุกกลับมาหางานได้ทําแล้วจ่ายงานซะจะได้อยู่เฝ้าวัดเฝ้าวาจะได้ยินได้ฟังได้ฝึกได้หัดปฏิบัติไม่หลงแสงสีเสียงนอกวัดนอกว่าบวชมาก็เพื่อที่จะฝึกหัดปฏิบัติ ก็ยังท่องเที่ยวไม่หยุดถ้าบอกให้อยู่เป็นที่เป็นทางหางานทำซะบ่ก็ได้เห็นกุศโลบายของท่านถ้าเพลงไปก็ชวนออกถ้าเผลอไปก็ตกเข้ามามันก็ผ่านความพอดีนั่นแหละความเป็นปกติไม่บวกไม่ลบไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็อยู่ได้ น เ, นเวลาฝาดปฏิบัติเราก็สังเกตดูบางทีอยู่ใกล้หลวงพ่อขมเขียนแม่ก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จับสภาวะเหมือนกันสภาวะของความเป็นปกติบางทีมาเอาตัวศรัทธาเป็นตัวศรัทธามากเกินไปปัญญาไม่งอกก็มีเปรียบเหมือนกับเมื่อกี้ที่สวดกันพรวะวกริกเนี่ยพรวะวกริกนี่อยู่กับพรุทธอ ง, องค์พระพุทธกเจ้า พระวกะลิ ก, กนี่เป็นบันดอกหรือเรียกว่ากระเทยเสร็จแล้วหลงลักษณ์พรุทธองค์พูะพุทค์ก็เป็นลักษณะของพระมหาบรุษมหาบรุษผู้ที่มีรูปงามหน่วยการดีสูงใหญ่ผิวพรรณดีเป็นสักยะโคต ไปอยู่ป่าพระบกฤิ์หลงรักจับมือจับแขนจับขาชายจีวรตามพุทธประวัติว่างนันนะก็ไม่เคยเห็นหรอกนะัหนังสือาาก็ว่าไว้คนที่เล่าครูบาอาจารย์ก็ว่ากันไว้อย่างนั้นก็จำมาพูดให้ฟังเสร็จแล้วก็ไม่มีทางบรรลุธรรมได้แถมก่อความลำคาญด้วยจะไปไหนก็ตามต้อยต้อยต้อย พระองค์ก็จึงไล่ทะเพริดไปน้อยใจก็งอนไม่กินข้าวไม่กินน้ำอยู่ที่กุฏิเจ็บล้มป่วยแล้วก็คิดจะไปกระโดดเหวตาย เมื่อเพื่อนรู้เข้าก็ไปกราบทูลกับพระพุทธองค์ว่าพระวะกระลิกเนี่ยอาการหนักประชดประชันงอนตรอมใจพระเจ้ารู้ก็ทรงสเสด็จไปเยี่ยมพระวะกระลิกก็คงจะงอนตามภาษากระเทยเนะนะมหาเขาทำไมอะอะไร เนาะตัวเองนะทำเขาทำไมอะอย่างเงี้ยเนาะตามภาษาตุ๊ดๆนั่นนะท้ายสุดหลวงพ่อบอกว่าวักกะลิกเมื่อกี้เราสวดกันนั่นแหละจับใจชีวรของเราไม่ใช่พระเจ้าหลอกว่าใดเห็นธรรมมันั้นเห็นเราาใดเห็นเรามันนั้นเห็นธรรม เมื่อใดเห็นธรรมมานั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อใดเห็นปฏิจจสมุบาทมานั้นเห็นธรรมบรรลุธรรมเลยพระวกระลกเป็นพระละหันเลยเรียกว่าชุดเข้าประตูบดีไปถูกจังหวัดพระเจ้าจริงๆก็คือนั่นแหละตัวเรานั่นแหละจิตใจของเราที่ มารู้ตื่นเบิกบานกลับมาดูที่เราไม่จะเห็นสภาวะของจิตเดินแท้ที่ประพัดสอนป่องใสเ <c oughs> มื่อใดเห็นเรามันนั้นเห็นธรรมเมื่อใดเห็นธรรมเมนั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ต, ตัวนี้สำคัญนะคำสอนของรรนะุาสนาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทคืออะไรก็คือรู้มันไม่ใช่หลง่ง รู้เขาเรียวกวิชาวิชาทวิเกิดสังขารสังขารคือปรุงแต่งสิ่งสังขารทวิเกิดวิญญาณมันจะรู้รู้ถูกรู้ผิดอะครเนี่ยก็ต้องรู้ผิดนั่นแหละนะเพราะว่ามันรู้ได้อาวิชาดีกว่าไม่รู้มันรู้รู้ไม่ถูกเกิดสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณทว้เกิดนามรูปนามรูปคือที่เราเห็นมโนภาพกันทั้งหลายนเวลาปฏิบัติธรรม มันปรากฏนามรูปขึ้นมานึกถึงบ้านนึกถึงคนรักนึกถึงคนชังนึกถึงอดีตมโนภาพต่างๆปวดเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนามรูปเกิดสลายยตนะมาสามารถที่เห็นได้ดมกลิ่นก็ได้มีกลิ่นบางทีแันทูบลอยมาดอกไม้หอมลอยมากลิ่นซากศพของเน่าลอยมาสารพังกระปรุงไป บางทีก็เป็นควันทูบหอมจิตพึงกุศลขึ้นมาเลยดอกมะลิดอกไม้หอมดอกไม้ป่านั่นแหละเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทางจิตใจของเราที่มันมีฤทธิ์เราก็หลงเผลอเข้าไปมันหลงมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเกิดสลายยะตันะบางทีก็เห็นมโนภาพเห็นเงาสารพัดนะแปบบแปบบ๊บปุ๊บปบแล้วก็ปรุงไป บางทีก็ เ, เห็นพระเจ้าลอยมาหอ่อมาทีก็าสาวกต่างๆเห็นผีเห็นผู้เ ห, เห็นเทวดาเห็นสารพัดพระอินทร์พระพรหมจิตมันปรุงไปสลายยตนะมันไม่จริงนะแต่ว่ามันเห็นจริงๆแต่มันไม่จริงนะมันจริงมัต้องเห็นทุกคนมันเห็นคนเดียวนามรูปได้เกิดสลายยตนะขึ้นมาได้เกิดผัสสะเกิดเวนาตันหาอุปท า, าน หัวทานเข้าไปยึดเป็นตุบเป็นตะถ้าเรามีสติทันก็กลับมาได้เป็นปกติได้ถ้าไม่ทันก็รอมันเกิดดับใช้เวรใช้กรรมให้พบภูมันดับของมันเองเมื่อไหร่รู้ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญ า, แ ล, แ, าแล้วแต่กัลยาณมิตรแล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะเห็นเห็นเราหรือเปล่า หรือว่าเราสามารถเห็นตัวเราหรือเปล่าเห็นความรู้สึกที่ฐานกายได้หรือเปล่าแก้อารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่ามันเกิดเวนาตันหาอุปาทานขึ้นไหเวนาคือสุขทุกข์นั่นแหละพอใจไม่พอใจเกิดตรงเวทนา น, นี่แหละเกิดความทยานอยากบางทีก็ไปติดแช่ชอบเยานอยากเป็นตันหาพอใจต้องการให้มันเป็นอีกให้มันมีอีกอย่างเงี้ย ยึดกัไปแช่อุปท า, านก็เกิดพบชาติจรามรณะนะเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละที่เ็าเรียกว่าภวาสวะตรงนี้แหละกามาสวะตรงนี้แหละมันเกิดพบชาติชรามรณะขึ้นมาเกิดดับเกิดดับอยู่ทังนี้แหละถ้ารู้ทันก็เกิดปัญญาถ้ารู้ไม่ทันก็ติดพบติดภูมิ เป็นอุปทานพบชาติจรามรณะโสกะปริเทวทุกข์อุ ป, ปายสายาติมันเป็นเรื่องของการครับค้องใจท้ายสุดปฏิจจสุบาตก็ครบวงจรไอ้ที่พูดยาวเหยียดเนี่ยพิบตาเดียวแต่คำพูดภาษาานียยาวมากกลไกการเกิดการดับเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ความไม่รู้อาววิชา นี่คือท ร, รมะเวลาผลิตภัณฑ์ก็ต้องเห็นกลไกพวกนี้แต่ว่าแนวหลบปูเทียนไม่ต้องไปรู้จักภาษาก็ได้แต่ว่าอาการเนี่เว็บเวลามเผอวุ บ, บมันไหวลืมเนื้อลืมตัวมันไหวมากเสี่ยวช้างก็ได้หูงูแลบลิ้นความไวของมันเราก็เห็นทาใม้ความสึกตัวดีๆมีสติมีตาใน แยบกายได้เห็นน้ํำนิ่งๆกําลังของสมาธิมันดีจิตกระเพื่อมอะไรตกลงไปมันก็ต้องเห็นชัดเจนแต่ถ้าน้ําเป็นคลื่นกําลังสมาธิไม่ดีเจริญสติไม่ถึงกําลังของสมาธิมันก็คลื่นมากเรียกว่าฟุ้งซ่านอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นหรอกพอรู้สึกตัวก็คิดไปเรื่อง เก่าจบเรื่องใหม่มาเรื่องเก่าจบเรื่องใหม่มาฟุ้งซ่านมันก็เป็นด่านของนิวรธรบันนี้ต้องมีกาลังของสมาธินะทำจดจอ่อตั้งใจแยบใายให้เวลากับตัวเองเราจะได้เห็นอนาการของปฏิจาวบานแสดงออกมาจะ้อเกิดยันดับตั้งแต่หลงจนเป็นทุกข์จนเรื่องใหม่เกิดมาเหมือนกระบื้รถไฟ เปรียบเหมือนกับนั่งดูรถที่ข้างถนนก็ได้วิ่งชิ้วผ่านไปวิ่งชิ้วผ่านไปคันแล้วคันเล่าเราก็ดูเห็นชัดแต่ถ้าไม่ดูตรงข้างหน้าที่เป็นทางมีรถวิ่งก็เรียกว่าดูไม่ตรงกับประตูใจคือภาวะองการเป็นกลางภาวะของจิตใจที่มันมันนิ่งจิตใจที่มันไม่ปรพยชศ จิตใจทิมปกติมันรู้สซื่ อ, อมันวางเฉยมันวางอะไรเกิดเกิด ม, มันก็วางเฉยเป็นตรงนี้แหละมันก็จะเป็นพัฒนาการเห็นปฏิจจาบาทชัดถ้ามันรู้มันเกิดอะแรถ้ามันรู้ถ้ารู้สึกวิชาเกิดที่ฐานกายนยให้สังเกตเราตั้งใจที่จะรู้และรู้ถูกสามมาทิถิมันก็เกิดขึ้นมาเกินไวรู้สึกรู้รู้ถูก รู้ถูกสัมผัสแล้วก็รู้สึกสัมผัสแล้วก็รู้สึกไม่ใช่คิดรู้ว น, นีวิชารู้รู้ถูกอาการเจ็บปวดก็รู้มันเจ็บก็รู้มันเจ็บจริงๆมันเป็นอาการแต่จิตก็ปกติไม่ใช่จิตเจ็บปวดไม่ใช่จิตโอยไม่ไหวแย่แย่แยอ่อนแอปล่า บ, บางไม่ใช่แต่มันรู้ซื่อๆอยู่ในการว่าการเจ็บปวดเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาตัวนี้มันก็เห็นตรง มันก็จะเห็นตัวจิตตัวเร า, วาปกติไม่ปกติจิตคิดหรือว่าดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆในคำพูดก็คืออาการมันเห็นอยู่มันก็รู้ชัดว่าไอ้การเจ็บปวดเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของจิตมันก็แยกกันจิตก็มีสติมีความเป็นปกติรู้อยู่รวมกับจิตใจก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในสิ่งนี้ในสิ่งที่ทา เกิดความเชื่อทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะทำอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มนไม่ทุกเนาะถ้าจิตเป็นอย่างนี้ก็เกิดปลาโมดขึ้นมาทำถูกทำถึงถึงทำมันเห็นธรรมสมควรแก่การปฏิบัติทันทีน้ําหนักศักดิ์ศรีพอฟัดพอเวียงกันไม่มีใครได้เปียบไม่มีใครเสียเปียบอย่างเงี้ยก็เรียก ว, ว่าพอฟัดพอเวียง ตามกำลังของสติกองปัญญาธรรมะที่ควรลูกควรเห็นมันก็ได้คําตอบขึ้นมาเสมอตัวเรื่องของกายกายก็รับผิดชอบไปเรื่องของจิตจิตก็รับผิดชอบไปเสมอตัวจิตก็ปกติก็เลยมีปัญญาเห็นร่างกายมันก็ตอบตัวมันเองเป็นพาไติรักเป็นอาการเกิดดับของกายอย่างเงี้ยเกิดได้ก็ดับได้ความคิดก็เหมือนกันบางทีมันก็เกิดขึ้นมา มันมาได้มันก็ไปได้เราก็เลยไม่ต้องลงแรงลงทุนอะไรเลยจริงๆแล้วนะภาวะผู้ดูนี่ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเฉยๆเกิดอะไรขึ้นก็เฉยๆเราไม่ได้ไปแทรกแซงเราไม่ได้ไปเหนะมือนก็ว่าเกี่ยวข้องอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยแสดงตัวเองเออกมานะเกิดดับเกิดดับออกาเราก็ดูด้วยความปราโมดจิต ปลาโมดใจก็คือมันสนุกมันรื่นเริงกับการปฏิบัตินั่นแหละทําแล้วมีความรื่นเริงเหมือนรื่นเริงในการทํางานทํางานได้อารมณ์ทํางานเกิดขึ้นมาทํางานแล้วติดลมอย่างนี้แต่ก็มีปัญญารู้จักกาลเทศะความพอดีรู้จักวางไม้วางมือวางหน้าวางตาวางความคิดวางการปรุงการแต่ง นี่ตัววิชานะ่ะมันพาเราทำเราก็ได้เห็นอ๋อเวลามีสติเป็นอย่างนี้นะจิตใจมันมีศรัทธามีปลาโมดเกิดขึ้นมามีปิติเกิดขึ้นมาถ้าปิติเกิดนะปัสติเกิดในตัวนีนะ้ก็แสดงว่ามันเริ่มที่จนะเป็นไฟบวกไฟกุศลแล้วนะสมาธิฐานของสมาธิทำให้รู้สึกว่ามีความสุขกับการปฏิบัตนะิอยู่คนเดียวก็ได้นะถ้ามีอารมณ์แบบเนี้ย อยูกับตเองก็มีความสุขใน <Yeah. S 2> สภาวะของอารมณ์ประเภทเนี่ยมันจะสงสารกาย <Yeah. S 2> จะสงสารกายเกิดปิติขึ้นมาหเห็นกายนะกายมันไม่ใช่เราแล้วก็สงสารมันที่ผ่านมาเราใช้มันอ้ทํางานทําการแบกของหนัก <Yeah. S 2> ไม่พักไม่พอ่อ <Yeah. S 2> นบางคนก็กินเหล้ามาเมายาติดสิ่งเสพติด <Yeah. S 2> ทำหลายหลายๆอย่างที่เสี่ยงเราก็สงสารมันนั่งดีน้ําหูตาไหล สงสารกายตัวเองสงสารชีวิตของตัวเองและยิ่งมาบวชเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วมีลู ก, กวางลูกมีภรยภรยากวางภรรยามีพ่อแมวอ่วางพ่อวางแม่มีที่มีทางมีทรัพย์สินมันก็วางก็บดคิดถึงไม่ได้พอมาสงสารตัวเองก็ไปสงสารอีกหลายคนทีเดียวโอ้ยอยากให้เขามาเห็นอยากให้เขามารู้สิ่งนี้ปีติก็เกิดเกิดปาสติขึ้นมา พอมันได้ถึงจุดหนึ่งมันได้ร้องใหนะ้มีปิติไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเลยหายไปด้วยความเกิดสภาวะใ ห, หม่ขนะึ้นมาจิตใจที่เป็นปิตินะเป็นปัิ ส, สีิเป็นสุขมันก็รู้แล้วอ๋อทำอย่างนี้มีความสุขจริงๆนะมันเป็นความสุขในระดับที่เกวาฌานสมาธนะิมันมีกำลังของสมาธิมาทำถึงสมาธิมันก็จะมีปรากฏการ์ตรงนี้แหละทุกคนนั่นแหละจริงๆแล้ว และจะไม่ง่วงเาหาเขนอนนะอารมณ์ตรงเนี้มันจะกลายเป็นตื่นตัวไม่มีง่วงหรอกอาการง่วงจะมาไม่ได้เพราะกำลังสมาธินะจิมเป็นสมาธิกับความรู้สึกที่ฐานกายนะมันจะเกิดลักษณะของปีติประสะทิทธิสุขขึ้นมานะมันเป็นอารมณ์ปฏิบัติถึงตรงนี้มันก็จะเดินได้ทางในเช้ายันมืดเช้ายันมืดนั่นแหละมันไม่มีหลอกท้อแท้อ่อแอ ไม่มีแล้วตรงนี้มันก็จะไม่มีคำถามได้ละ่ะแต่ว่าถ้ามีคำถามเนี่ยบางทีเราถามท่านก็ตอบเหมือนกันอย่างหลวงพ่ อ, อเขียนเน่เคยถึงอารมณ์ตรงนี้เคยถามท่าน <c oughs> ก็ต้องขออภัยจะเล่าถึงตรงนี้นิดหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวนะวันหนึ่งเนี่ยมันเคย มีอาการแปลกมากเลยปฏิบัติแล้วก็มันมีความรู้สึกว่ามันมีอาการหนึ่งนะที่มันลอยขึ้นมามันเป็นอาการภายในใจของเราเป็นอาการของจิตของใจนะมนไม่ใช่อาการของกายแต่เราก็รับรู้ได้ว่ามันเกิดขึ้นนะในร่างกายของเรามันเบาฟึดขึ้นมามันอยู่แถวๆหน้าผากกระหม่อมลงไปแล้วหายใจมาชนพอดีแล้วทำไมตรงนี้มันโลงผิดปกติ วันนั้นเป็นวันที่เขาเผาผีมีกินนิมนต์ที่กุดงงแล้วก็หลวงปู่เลี่ยมเนะ่ยเขามานิมนต์วันนั้นไม่รับนิมนต์เลยละ่ะมันเป็นมาตั้งแต่เช้าเลยไปนั่งปฏิบัติอยู่ที่สลากลางน้ำํำนะปรากฏว่ามันมีอาการแปลกมากจนกระทั่งทําวัดเย็นสไลด์ก่อนทําวัดเย็นอยู่ที่สลาหน้าถ้ามีกลุ่มเข้าอย่างนี้นะมันจะทําวัดที่สไลา์ไก่ แต่ถ้ามาเยอะๆจะทำที่ทาสาราน้าเต้ทุนมีกลุ่มปฏิบัติการนี้ก็เตรียมจัดสถานที่กันกลุ่มประจำเดือนเริ่มต้นปีแรกเลยเอาโถส้วมมาตั้งกันให้มันสูงกว่าพื้นปูนธรรมดาหน่อยนะเนี่ยยกระดับแบบนี้แต่มันสูงโถส้วมที่อาจารย์ตุมเอาไปปลูกต้นไม้นะ่ะมีลังสมัยก่อนเอาลังมาวางเรียงๆ แล้วเอาไม่อาจปลาปูเอาเสือปูนั่งกันตามีตามได้วันนั้นก็ถามหลวงพ่อความเขียนว่าหลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นไหมหรือมันมีอาการอย่างหนึ่งผมไม่เคยเจอมาก่อนหรอกนะถามท่านตรงกลางกระหม่อมเส้นสมมตินะเส้นสมมติกลางกระหม่อมแล้วก็ลมหายใจตัดกันลมหายใจซุดเข้าไปลมก็ลง มันมันเป็นนิมิต ท, ที่ชัดมากเลยอะหลวงพ่อเห็นท่านจะถามว่าดูมันอยู่หรือว่าอยู่กับมันผมหลานอมาก็ตอบว่าผมดูมันอยู่เพราะาผมเห็นมันเป็นอาการที่แปลกมากเลยไม่เคยเจอแล้ววันนี้ผมมีความสุขที่สุดเลย น, นั่งทำวัดนั่งยิ้มเมื่อมันมีความสุขอย่างนี้เนาะพอเสร็จแล้วก็ถามท่านมันเกิดอะไรขึ้นอาการนี้ก็เรียกว่าอะไร เราพอท่านตอบมาคําเดียวประโยคเดียวสั้นๆเลยจํามไม่ลืมตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ลืมท่านบอกว่าปัสสธิปัสสธิเนี่ยไอเราก็เอออาการอย่างนี้นเลยปัสสติโอเรานึกว่าเป็นอาการของตัวสติตัวสตเออิเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนึกว่าเวลามันเข้าใจธรรมะมีธรรมะผุดขึ้นมา เป็นลักษณะของแสงสีหรือว่ามันเป็นอาการที่มันเราไม่เคยเจอยเงี้ยเราก็จ้องดูอะไรนาะ อ, อะไรนาะท่านบอกปัจสถานิเราก็เลยสังเกตอ๋อเวลาเราหายใจไปแล้วก็สุดลมหายใจกลางกระหม่อมลงมามันจะผ่านจุดเนี้ยเยอะอ๋อถึงว่าเวลานั่งหายใจแต่ ม, มันอร่อยมันสงบกายสงบใจใภาษาธรรมะเรียกปัจสถานิเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจ ปรากฏว่าเราก็เช็คโดยการตื่นเช้ามามันก็หายไปจริงๆมันก็เป็นอีกสภาวะหนึ่งก็คือสภาวะที่ธรรมดาธรรมดาเงี้ยก็เหมือนกันทุกวันในเวลาตื่นมาก็มีธรรมดาธรรมดาทุกครั้งที่เริ่มต้นปฏิบัติก็มีตัวธรรมดาธรรมดาแต่เราเลยตัวนี้ไปเราสังเกตตัวอื่นมันเป็นเพียงอาการของจิตนะฮะนะสุขก็เหมือนกันผมหล่ะทำไมาเป็นคนที่เข้าออกปิติได้สบายเลยนะ ทำขนลุกเนี่ยง่ายๆนะยทำคนลุกเนี่ ย, ย, ย, เ, ย, เ, ยเวลาเรารู้ไอ้ลองตรงน้ําหยดตรงไหน่นเป็นของเล่นเฉ ย, ยๆตัวปิตินง่ายเพราะว่าเราเราขว่าจะปฏิบัติจกนกระทั่งถึงตัวปกตินั้นผ่านอะไรมามากมายแต่ใครจะสังเกตแล้วเข้าออกเห็นซ้ําๆย้ำๆจกนกระทั่งอ๋อมันมีความชัดเจนว่าตรงเนี้ยคือสภาวะข้างในที่เรารู้เราเห็นเราผ่านจริงๆอพอ ผ่านตัวสุกไปเนี่ยสุกก็ไม่เอาเพราะท้ายสุดสุกมันก็เกิดดับเหมือนกันมันก็จะเป็นอีกตัวก็คือวางสุกวางสุกตรงนี้ก็คือไม่ให้ราคาอะไรทั้งหมดนั่นแนหะเกี่ยวข้องเป็นธรรมดาธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละมันก็เป็นตัวของตัวนิพพิทาตัววิลาคะก็คือมันก็เบื่อหมดแล้วล่ะอะไรหลายๆอย่างกว่าจะผ่านมาได้นะ กวาจะผ่านชีวิตกวาจะผ่านตัวปฏิบัติกว่าานอารมณ์จะกระทั่งจับตัวความรู้สึกตัวจิตเป็นปกติมันผ่านอะไรกันมามากมายแล้วเกิ น, เ, นเมื่อผ่านแล้วผ่านเล ย, เยถ้าเป็นความรู้สึกตัวที่สติปัฏฐานนะหรือว่าสตนะิที่มันเป็นผลของการรู้ตัวที่ถูกต้องนะแล้วก็สังเกตเห็นแล้วก็จับได้ด้วยจําสภาวะอารมณ์นี้ได้ด้วยชัดเจนนะ เมื่อกลัวแล้วล่ะทุกครั้งก็ต้องปรับมานะมาหาตัวกลางหรือเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางโดยเนะี่นมันไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบนะ <c oughs> เวลาปฏิบัติได้สังเกตแพมีสภาว่าบวกด้วยลบด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกตัวรู้ถูกปั๊บมันเข้าร่องของมันทันทีเลยเลยเข้าใจว่าทําไมหลวงพ่อเทียนนะท่านรู้ได้ไวนะเพียงแค่สองวันนะ่ะรู้แล้วหลวงพ่อขียนท่านพูดไว้เฉยๆเลา ว, วันเดียวก็รู้แล้ว แต่ถ้ารู้แล้วมันก็รู้นะวันเดียวเนี่ยวันที่รู้นะมันจะรู้เลยเอ้ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราว่าเขียนท่านสิบเอดวันที่ท่านโดนเน้นถามว่าออรู้รูปนาำแล้วบ่สิบเอดวันตัวอีกสิบวันต่อมาท่านตติงใจใส่ใจกับความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวจริงๆนั่งเป็นที่เป็นทางพิงเสาไม้หน้าสามเป็นที่เป็นทางทุกวัน ท้ายสุดก็เข้าใจนะตอนที่ลุกเดินอยู่ใต้ต้นขาขี้หมูนะเดินจงกรมอยู่เป็นร่องรอยที่ท่านลืมไม่ลงใต้ต้นขาขี้หมูท่านเข้าใจสภาวะรูปนามมันะนะจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่แม้กระทั่งบทสวดเมื่อสักครู่ที่เราสวดเนี่ยมันก็ใช่เลยนะปฏิจจามุตบาทนะฝ่ายรั่ฝ่ายหลง หลวงปทียนเลยสอนแบบรัดมากเลยนะใครที่รู้สึกในในขณะที่เราเคลื่อนมือเดินจงกรมแล้วก็ทําเป็นนะตัววิชามันก็เกิดอยู่แล้วนะเวลาเผลอหลงไปแวบความคิดล้รู้ไม่ทันแล้วข้าไปปรุงอันนี้ก็เป็นตัวหลงทันทีบานะงทีเนะี่ยทางตามีใครเดินผ่านครับรถผ่านเนี้ยแวบเราก็หลงเข้าไปตัวเราหายหทันทนะีอย่างนะี้นเกิดการปรุงแต่งทันที อันนี้คือตัวหลงนะเบื้องต้นเลยนะแต่ถ้าเราเคลื่อนรั่วเคลื่อนหยุดรั่วหยุดนะตัวนี้นเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดก็เป็นวิปัสนาทันทีแล้วแต่ว่านะมันก็เป็นเรื่องของผู้ใหม่นะที่ฝึกใหม่ก็จะต้องเหมือนกับว่าจับสภาวะไว้ให้ได้มากเท่าที่จะมากได้ก็เรียกว่าสภาวะตรงนี้ก็ต้องอย่ารีบใช้นะให้เจียมเนื้อเจียมตัวก้มหน้าก้มตา ใส่ใจลงไปกับความรู้สึกตัวเหนะมือนกับว่ามีสลิงเพึ่งมันจบไปครบบาทย้ายขาสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยก็มันจงจะจ่ายลงให้มากจะยากนานนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับการต่างๆนะหรือว่าอารมณ์ต่างๆรู้จิตที่มันคิดนึกลงแต่อย่าไปยุ่งกับมันนะถอนกลับมาหาฐานกายแล้วก็รู้ซื่อๆฐานกายนั่นละนะ่นะจะตั้งเหมือนกับว่าปล่อยให้สบายว่ามันไหลไปเอง เขาล่องเขาลอยเขาซองนะถลํมลงไปตกลงไปรู้นามรูปเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริงนะก็พูดให้ฟังกลาบมาพร้อมกัน